คม่ายี่บานตพกเาโอ้แกผงมันเลยละบวมหนาเพิ่งหนาเพิ่งหามแพงหนามย่างแก่ออกนะ นั่งหนีมูหลาลบอกมูรหลยอยูเลียมาเดีวเ๋วคนึ้นไปนั่งอีกนีาพรท่านว่ามื่อตปัวบอกว่าไม่ได้ากำท้างได้พรท่นน่พวเฮ็ดหลายวปวดแมพรท่านแต่บอพ่อบ่าโอ้ยพ่อจังไดียบแต่คือเมืองไทยแลไรไหมเฮ็ดพระกิโลมัน ไ, มได้บาปด่น มันฆ่าพว ก, กว่ามันเป็นบาปเลยมันสาเดีถ้าเขาแนวดอกไม้พระสัญแนดอกช่วยพระถากิเรศให้ก็พระโอบจีเลศแห้พระอนันต่อเดี๋ยวเสกกะยาขึ้นเลยนะตอนนั้นเราเก่งไม่มีสติไ่มีปญัญญาโดนเรื่องปากเรือ่อง턱พระอ้วนบองงามไม่ทำหมูอ้วนเขาได้ขายสิน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 วันหนึปัญญาเนันกันจินมกันโกงกันบุญเวบุญไหวเอาลัดเอาเปียบจีต้มชีตัวหลอกล่วงปีนปอนกันดูจนถึเบื้อนายแนันก็ยังอยากจูดูหลอกนี่ถึงเบื้อนายยังได้ทะเราได้เป็นไปพวกเบื้อนายก็มายอมใจจน่มันคิดเหงมันอ่านงเบื้อนายจัหันออกไป อันมักถุกหมักมันลกหมักมนระ ก, ก, ร ก, ก, รกเอาลงไปคุกเคลงไปมันลอกก็ <c oughs> หมุนได้หมดลกโลกะในโลกนี่มบเมือ่อเมืมืดอข้อข้องัดสัตว์โลกก็เมื่เมืดบอดเพราะเมือดบอดถงพรามันหน้าเขา <c oughs> แกวเข็นเขา่าแกวเข็นเขา่านั่งกำหนดเข่าให้มันปรุงเนแตงไปอย่างนั้นเรื่องนี่น อ, นอยากได้นั่นอยากได้นี่หาตะควมโยงเขาใส่จะของขตัวไปนั่นก็ น, น้องมักโยงมักนุงโยงบอกว่าอเอาหมามาเลี้ยงให้มันโยงเข้าไปอีกวางร้องกันหาตกนน้ำยก ป, ประเทศไทย ว่องรองกันเอาเรื่องเป็นเล่ากันเดีย๋ยวคนตัวห <c oughs> <c oughs> มูวตนขาโยขากินห้องเงยจูบเห็นว่าเป็นยงหมาวันไปตีห้อ ง, งอยั่งย่งนหยปั๊บแล้วว่าหมากัดข้นก็นไปปั๊บ้นไปน่ปัป๊บหมาดสั่งนหมาใจเป็นตีปะ เห็ uhm, นเห็นก็บ่นไหวบอโลกนี่เตียงแต่แน่นอนยังเปลี่ยนแปลงไปยังเปลี่ยนแปลงไปแหล้มไปแหลมไปกูมัดระพัาศาสนาอี้ศาสนาก็การกันแล้วไปไปวัตรี มาลาบดีเปกว่าหลวงปู่ก็บอเอาอาหารจากปีพวกผมไม่ได้ปลาปราเขนติดผิดพวินัยก่อได้บ่ะผิดแล้วก็เไป็อาไปยังก็รอกันยังเสบแต่แต่ว่าถนเกินตะม่อไทยกินโลนกินเหลือแท่ห้หมากินกระโปงเมดว่าถนนไม่หมาติดแท่หิกินเนี้ตังกินังเหลือ ยราเน้นก็อาหารด้ยต่ม <Okay. S 1> <that> enfin ่ได้กินว่างหมดแล้วแล้วก็นบัตรราเรากระตุ่มตัวเงินวแต่ว่าหลวงปู่ตาเป็นแทยนุ่งเสียบวตทองบัตรองบัตรนี้เรามีแพทย์แตกต่างจากกระลือหัแต่บัตรง่าโบคือกระลืหัดก่อนเสียมันว่าหนาวตัว บ่ามึงก็บ่หนาวดีใจเฮีงบ่หนาวเปลนสับนั่งไก่กันเงคือก้อนเดาแตบ่มีใจมึงดนี่เข่าลงไปกีลงไปแม่นี่คือกันย้ำเข้าไปจะไปบ้าแม่หนาวนั่งเข้าไปจะไปเบิ้งแม่หนาวเบิ้งร่มก่อเบิ้งอมพลตุ่มผาดีๆเอาหนาวก็ ต, ตายซะสุดตัวมึงหนาวได้มึงตายซะ ส, สะดกระาษเจ้ า, จาของกราไปเดามด ระยองเนี้ยมันดีแล้วได้ดีแล้วเพี่ยนเด็ดเพี่ยนทำเพียนเด็ดเพี้ยนทำนี่แต่นมถึงว่าไว้คำของพระพุทธเจ้าจ้าคือสามัญชนคนธรรมดาจะดูได้จะรู้ได้นีะเห็นว่าเจ้าว่าเจ้าของเป็นคนธรรมดาเพรานฉะนันคนธรรมดาไปนย่งพวเพชนเหนือโลกนี่่ นึกจเอาหนังสือมาเขียนติดไปเอาทีคนเหนือโลกคนเหนือโลกว่างสักทีต้องใจไว้เหนือโลกนึกจากว่านี้คว่มเป็นโยกของโลกกันคิดหลายมากกว่าหลายแต่เ่คิดหลายเอาหน่อยๆก็มันเท น, นก็บเบือ่อหลือตัวลาลุยสวยงามสองโตนั่นสองคํานั่นน่ะมันก็ว่นไปยุ่หนีวัด ต, ตะบนวนไปที่แต่ลำลยมันเราก็อยากสวยงามน่นตตะก็วัดตะบนแบ่นัน วนเกิดวนแจวนเจ็บว น, น, นตายตัวอาาราฟันเทศได้กันเราหมดตาปโลกาวเวเนโมโตตาสันตาบาวัต año Yo...